ังไปด้วยนะเพราะว่าวันนี้เราก็ได้ทําวางเพียรรวมกันเป็นว <c oughs> ันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งตัวอย่ก็คือ สมกันมันก็เลยทําไปแบบทดลองไปก่อนทดลองไปก่อนแต่ยังไงทจะเราสวดไปบทสุดท้ายก็คือว่าจะเรื่องกองพระเทกรตาตสุขกรตาตนาสุลบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรกังวถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ร่วงไปแล้วไม่นควรามคิดทึ้งสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรอดีตที่ผ่านไปแล้วจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามมันก็จบไปแล้วเหมือนกับปีเก่าปีเก่าจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามมันก็จบไปแล้ว พีม่หรนะืออะไรก็จะเจออะไรไปในภายภาคหน้ามันยังไม่เจอเราก็ไม่ต้องกลัวไปพะวงมันพะวงมันถ้าสิ่งใดต้องเจอมีมีหรือปล่ที่ต้องเจอก็ต้องเจ อ, อ, เอจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามมันก็ต้องเจอตามที่เราสร้างเหตุเพรากมา สิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงผู้ใดเห็นทำอันเคยขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยางจ่มแจ้งไม่นอนเงันคลอนแคลงอย่างจ่มแจ้งไม่นอนเงันคลอนแคลงไวันไห ว, ไหวเขาควรพ้องปูนอาการเช่นนั้นไว้เนี่ยภาวะเนี่ย ภาวะ ท, า ท, 네า ท, ที่เรากำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยกลัง Luke, เรียนรู้อยู่เนีเ่ยเฉพาะหน้าภาวะเฉพาะหน้าที่เป็นเฉพาะภาวะที่จริงเนี่ยที่เรากำลังเรียนกำลังศึกษากำลังภาวนาอยู่เนี่ยพยายามกระตุ้นสติสติคือตัวระลึกพยายามระลกระตุน้นการระลึกถึงขนาดเนี้ยเป็นหลัก ไม่ว่าเราจะเจอกับสภ า, าวะใ ด, าาดก็ตามสภาวะใดอาการใดก็ตามที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้จะเป็นอาการแบบไหนดีหรือเลวเราจะไม่หวัว่นไหวกับมันจะเรียนรู้ศึกษามันไปก็นี่คือของจริงของจริงนะแต่ว่า สังเก ต, ตุว่าพวกเราบางทีเนมะื่อเราภาวนากันนีน้บางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจถึงปัญหาเชิงของชีวิตของตัวเองพอนะตัวปัญหาของชีวิตเนะี่ยวันนี้จะพูดถึงเพื่งการปัญหาของชีวิตนะพอจะไปพูดเรื่องอื่ น, นเรื่องไกลตัวไป เ, เราเลือกใกล้ๆตัวที่เราสามารถที่จ ะ, ะเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตใหม่ได้ถ้ายังอยู่แบบเดิมๆอยู่นะยังอยู่แบบเดิมๆปีเก่าเป็นยังไงปีใหม่ก็เป็นยังไงถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของตนเองให้มันต่านเก่าลุกฮอเดิมแล้วไซค์ก็ยังคงเป็นเดิมไม่กลา้าก้าวออกไปไม่การาทิ้ง ที่ปัญหาของชีวิตเนี่ยปัญหาของโลกเนี่ยมันเยอะแยะมากมายปัญหาเยอะแยะเศษรษฐกิจสังคมศาสนาการเมืองอะไรต่างๆเยอะแยะผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเรื่องราวประโลกเนี่ยปัญหาบางครั้งก็ เกี่ยวข้องกับตัวเราบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับตัวเราบางครั้งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับสภาพสังคมบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมันก็มีผดทั้งหมดแต่อยากจะให้เราเข้าใจว่ามันมีปัญหาอยู่สองกลุ่มในชีวิตเนี้ยปัญหากลุ่มหนึ่งปัญหาที่ชีวิตที่แก้ไขได้และปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งคือปัญหา อีกแกะไขไม่ได้สองกลุ่มเนี่ยที่เรามาดูก่อนว่าปัญหาทั้งหมดของบนโลกเนี่ยถ้ายอมออกแล้วเนี่ยยอมแล้วเนี่ยเราจะต้องบริหารจัดการเข้ามาในนั้นมีแค่สองสองเรื่องสองเรื่องเท่านั้นเองปัญหาในชีวิตเนี่ยมีสองเรื่องเท่านั้นเองยันที่เรามาฝึกฝึก ป, ป, ปฏิบัติฝึกภาวนาไป เพื่อต้องการเอาปัญญานี่เปัญญ า, เอ า, ญญาเอาความรู้ไปแก้ปัญหาของตนเองไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นพระศาสนาจะสอนให้เราหันมาแก้ปัญหาของตนเองและปัญหาของเราเนี่ยไมาา่ใช่เพียงกับปัญหาของคนอืคนๆทั้งโลกเลยทั้งโลกเหมือนกันหมดเลยพอคนทั้งโลกมีปัญหาอยู่สองเรื่องทานั้นแหละคือเรื่องกาย การเลือกใจปัญหาหลักๆของคนของคนบนโลกนี้ของโลกของคนบนโลกนี้ที่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้ยมีสองเรื่องเรื่องกายกับเรื่องใจและทีนี้เราก็จะมาดูว่าเรื่องกายมันก็เกี่ยวข้องไปเรื่องกาย เรื่องกายนี้แก้ไขไม่ได้เรื่องกายนี้แก้ไขไม่ได้นะเราเกิดมาแล้วเรามีร่างกายร่างกายก็ไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราเราเกิดมาเพียงเพื่อมาอาศัยอาศัยเท่านันนะมาอาศัย ใช้สรอย ป, ประโยชน์ให้เกิดขึ้นเ ท, นาทน่านั้นเองแล้วร่างกายทําไมว่ามันแก้ไขไม่ได้คําว่าแก้ไขได้นี่คือแก้ไขแล้วมันต้องหายไปเลยแก้ไขไปแล้วมันต้องหมดปัญหาไปเลยต้องหมดปัญหาไปเลยจึงจะเรียกว่าแก้ไขได้แต่ถ้าแก้ไขแล้วเนี่ยมันไม่หายมันได้หมดมันเกิดไม่อีก เข า, าจะเรียกใหม่เขาเรียกว่า บ, บรรเทามันได้บนันเทามันไม่ใช่แกงไขมันยบรรเทามันได้ตัวอย่างในชีวิตของร่างกายที่เราเป็นอย่างนี้ยังหนาวอย่างเนี้ยเราแก้ไขมันได้หรือบรรเทามันได้เดี๋ยวเวลาห่อ อ, อากาศมัน เหปัจจัยภายนอกมันเกิดขึ้นอีกกับเทาอีกพอเห็นปัจจัยภายนอกมันหมดไปเหตุปัจจัยทำให้เกิดเย็นมันหมดไปมันก็หายไปแตยเดี๋ยวม่เกิดอีกก็มาอีกเชเน้าเราตั้งแต่เราเกิดมาจนบันนี้เราแก้ไขมันไม่ได้มันมาเราแต่ตั้แต่บรรเทามันป้องกันมันแต่หาเสื้อผ้ามาใส่หาเะไรมาใส่ให้มันอบอุ่ มันจึงมันจึแก้ไขไม่ได้ไม่ต้องไปที่จแก้ไขมันยกตัวอย่างเช่นอยูข้าวทุกคนเกิดมาต้องกินข้าวใช่ไหมแล้วเราดูซิว่าไอการอยู่ข้าวของเราการกินข้าวพวกเร า, า, า, า, าเรากินไปจนวันตายนะเรากินไปจนวันตายแล้วได้แต่บรรเทา เวลาหิวามาก็หาอาหาป้อนีห้มันเพื่อมันเทาให้เหงืความหิวนั้นดับไปแต่เดี๋ยวมันก็มาอีกมันไม่หายไปจริงอ่ะเดี๋ยวพอมันมีเหตุปัจจัยเหมาะสมมันก็มาอีกเป็นอีกหิวอีกอแล้วเราก็กินไปวันวันหนึ่งเรากินไปสองมื้อสามมื้อห้ามื้อแล้วแต่ กินไปเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาของร่างกายชีวิตคือร่างกายกับจิตใจบรรเทาปัญหาของร่างกายและต้องทำไปจนบันตายแล้วก็เพราะปัญหาของร่างกายคือการกินนี่มันจะเกิดเรื่องราวเยอะแยะมากมายให้เราต้องมีไรทำอยู่บโลกนี้ เช่นปัญหาของร่างกายเนี่ยจะมีแต่สิ่งที่คอยดับบรรเทาปัญหาของร่างกายอยู่สี่ส่วนสี่ส่วนไม่เกินจากนี้คุณจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็าตามคุณต้องใช้นันใช้มั น, มนบรนเทาแต่ไม่ใช่มันแก้ปัญหาสี่ส่วนคืออะไรเมื่อมีร่างกายแล้วก็ต้องมีปัจจัยสี่ ปัจจัยสีนี้เป็นเครื่องบรรเท า, างเช่นเราต้องใส่เสื้อผ้าเพกกาื่อป้องกันหนาวป้องกันร้อนป้อง ก, กันเหลือป้องกันยุงป้องกันแดดแล้วก็ปกปิดเอาไว้ว่ตต่างๆนีค่คือสิ่งที่มาบรรเทาต้องอาศัยเสื้อผ้า ในการเสี่จบรรเทาประก็ประคองร่างกายของเราไปไปไหนไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บแล้วก็ไปสู่ความตายชิ้นเสื้อผ้าที่เราใส่มันจะดีเลิศราคาเท่าไหรก่ก็ตามมันก็มีค่าแค่บรรเทาบรรเทาให้ร่างกายเท่านั้นเองมันไม่ได้สวยหรอก เราใส่ไปเล้วว่าเอาเองเสื้อมันก็ไม่เคยบอกร่างกายมันก็ไม่เคยพูดนักเก็ต ด, ดูไหมดูตัวหน้ากระจกตัวเองแล้วก็ชมตัวเองแล้วคนแต่งตัวนะชมตัวเองอ่ะดูที่ว่าเราสวยไหมไม่มีคนชมก็ชมตัวเองมันเป็นคนบ้าหรือคนดีกันไ้ม ว, ว้าเอาเองนะว่าเอาเอง ใส่เสื้ออย่างนี้ราพาเท่านี้บางทีนะไปเห็นแล้วที่ไปซื้อกระเป๋าโว้ยดูเป็น2องสาแสนเนี่ยนี่การเป็นร้านซื้อเพื่ออะไรซื้อเพื่อไปอวดเขาอวดเขาแได้อะไรได้อวดได้อวดได้อ้างบนตัวเองมีเงินงูมันจะได้ ทั้ที่เลยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะจ๊ะวันจีไปใส่เพชรใส่คอยใส่ทองใส่คอทองคําวนี้อวดเขาอันตรายนะถ้าเราเดินไปด้วยกันเนี่ยทําร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวถ้าเดินไปด้วยกันนี่นะเวลาโจรมันมองไม่จะมองใครระหว่างคนหนึ่งมี้กิดคนหนี่งไม่มีที่คนหนึ่งคอคุณมีอะไรที่มือมือมีอะไรทําตัวนี่มัมีอะไรซากอย่างแต่คนหนึ่งประดับประดาดีเพชรดีจินดา จวนมันจะมองใครสองคนนี้มันจะจ้องเอาใครมันต้องเอาคนไงนี่แหละเรียกว่าหาเรื่องให้ตัวเองเถือร้อนโดยไม่รู้ตัวเพราะความหลกก่าใส่ไปแล้วมันจะดีกว่าเก่าเนี่ยถึงว่าเวลามันมีอะไรแล้วก็สตบวดอเป็นคนเด่น มนเป็นคนเด่นพอเก่าเป็นคนดีพอเก่าจริงๆมันเด่นด้วยดีไม่ใช่เป็นที่ตรงนั้นมันเป็นที่พฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ยส่วนหนึ่งคือส่วนของเครื่องร่างผ้าเสื้อผ้าอ้าผ่อนเป็นส่วนหนึ่งเขอนการเปิดเทาร่างกายให้รอวันแก่วันเจ็บวันตายนี่เป็นส่วนหนึ่งอันที่สองคืออาหารอาหารการกินตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดเทาทุกอีกอันนึง ด้วยเหตุปัจจัยคือความทุกข์ของร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่แหละแต่ละวันเราต้องดิ้นรนในการสองแสวงหาในกอเทศธรรมา่าทำงานแลกเงนินมาซื้อกินทนันแหละเนี่ยทำงานเพื่อแลกเอาเงินมาเพื่อมาซื้ออาหารกินแล้วอ่ะแล้วการแก้ความอยู่แก้ได้ไหมไม่ได้ ปันเทาไปว้นนี้ก็เอาไปตั้งต้นกันใหม่มันจริงมันจะมีแตการบริหารจัดการที่มันเหน็ดเหนื่อยม่มันจบตายเม่ไหร่ก็ได้เรื่องหารการกินก็สารพัดที่เราจะเกิดการประจบประทอยวิจิตพิศดารปงแต่งกันไปจนกระทั่งเดี๋ยวเนี้ยกินไปเพื่อฆ่าตัวเอง โดยไม่รู้ตัวยินไปก็กินแต่ของที่ปฏิบอดย์ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีเกิดแต่ภัยเกิดแต่โรคเกิดการทำลายล้างตอนเองมากขึ้นเราสังเกต ด, ดูเราร่างกายเรานะมีซากศพนิวเท่าไหร่ซากเป็ดซากไก่ซากหมูสังเกต ด, ดูเราเกิดอยู่บนซากศพนะใช่ไหม สร้างปลาสร้างพืชสร้างสัตว์มันเน่าตั้งแต่ยังไม่ตายนเนี่ยเน่าแต่ยังไม่ตายจึงพยายามหาอะไรมาปกปิดความเน่าของขตัวเองเอาไว้อ น, นี้ช่นชีวิตเราอะม่อยู่เหมนกองศพยินสร้างศพแต่เราก็ว่ากิดอา ใช้คำพูดกินอาหารแต่จริงๆแล้วอาหารได้มาแต่ละวันเป็นอย่างนี้บ้างอันนี้คิกอันหนึ่งแต่ผลสุดท้ายแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้ต้องทำไปจนวันตายอันต่อมาสิ่งที่บรรเทาปัญหาของชีวิตก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยนี่แหละแล้วเราดูอยู่เนี่ยที่อยู่อาศัยก็ที่อยู่อาศัยนะอาศัยร่างกายทั้งหมดนี่คือที่อยู่อาศัยของใจใจมาแค่อาศัยเฉยใจเหมือนคนมาเช่าบ้านอยู่ถึงเวลาบ้านพังก็ต้องหนีต้องไปแล้วร่างกายเนี่ยทั้งหมด คือบ้านเช่ามันก็เป็นทีนี้พอเป็นที่อยู่อาศัยภายนอกที่ร่างกายเปอาศัยอีกมันจะสอนกันนะใจอาศัยร่างกายร่างกายอาศัยวัตถุวัตถุภายนอกเช่นบ้านรถโรงแรงอะไรต่างๆที่เป็นอาศัยอาศัยเครื่องบินอาศัยรถยนต์ อาศัยรถไฟอาศัยเรืออาศัยอาศัยพามันไปอ่ะามันไปมันเหมือนบ้านนะมันเป็นแค่ที่อยู่อาศัยของร่างกายแต่ในร่างกายนี้มีใจมาอาศัยอีกทีหนึง่งจึงเป็นที่อยู่ที่อยู่อาศัยตัวสุดท้ายและที่อยู่อาศัยนี้ก็แก้อาศัยเพื่อป้นะองกันเหลือ ลมแดดและแสตที่ทางทั้งหลายเพื่อไปให้ร่างกายนี่มันคุกพังเร็วเปื่อยเร็วมันตายเร็วต่อมาเมื่อมันมีร่างกายแล้วมันต้องมีโรคเมื่อมีร่างกายแล้วต้องมีโรคก็ต้องอาศัยเภสัชย่ารักษาโรคแล้วรักษาโรคเหล่านี้รักษาได้ไหมไม่ได้บอกแล้วว่าทั้งหมดนี้เครื่องมัน ฉันชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเรามาเสียเวลาคิดกับการที่จะทำและแก้ไขร่างกายให้ดีมันเสียเวลาเปล่าของที่แก้ไขไม่ได้และพยายามไปแก้ไขของที่ทําให้มันดีขึ้นแต่มันไม่เคยดีขึ้นมีแต่แย่ลงทั้งหมดเนี่ยเราสังเกตดูสิชีวิตเราเราจะใช้เวลาทั้งหมดในการในการทุ่มเท ในการดูแลร่างกายหาอาหารให้มันกินหาเสื้อผ้าให้มันใสหาที่อยู่ให้มันนอนเวลาเจ็บแค่จะเปิขายารักษาโรคให้มันให้มันแต่ผลสุดท้ายมันเป็นไงล่ะมันแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็พยายามคิดวิโตกกำมวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้น เดี๋ยวเรากลวเป็นนั่นเป็นนี่เป็นไม่ต้องไปกลัวมันหรอกมันเป็นแน่แน่มันเป็นวันนี้ไม่เป็นวันหน้าก็เป็นวันหน้าไม่เป็นวันอื่นก็เป็นเรายังไม่ตายแล้วมันเป็นแน่ถ้าตายไปแล้วมันคงไม่มีอะไรเป็นแล้วไม่มีอะไรเหลือนั่นจบเลยไม่ต้องไปเสียเวลาคิดกับเรื่องร่างกายเพียงแต่เราค่อยๆดูแลมันไปแล้วก็ประคองมันไป เข้าใจมันถ้าเราเข้าใจมันจริงๆทั้งหมดนะเราจะเห็นว่ามันน่าเบื่อมันน่าเบื่อนะบ้านหลังนี้มันช่างมีแต่เรื่องราววุ่นวายตลอด24ชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเราต้องพามันอาบแล้าพามันแปรงฟันพามัน ไปกินข้าพามันแต่งตัวพามันไปนอนพามันไปนั่นไปนี่มันเป็นภาระที่ที่หนักแต่เราไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกเพราะเราหลงมันว่ามันจะดีขึ้นเนี่ยมันจบนะไม่ต้องไปจิจหาวิธีแก้ะร่างกายเนี่ยทิ้งไปเลยแต่แต่บรรเทามันไปรอมันตายพอแล้วฉะนั้นเราก็ถ้าเรามองเห็นชัดๆแล้ว ชีวิตเราจะสบายไปกว่าเกือบครึ่งหนึ่งกัอบครึ่งหนึ่งเนะี่ยกับการที่จะไปวดว่วายกับชีวิตของร่างกายเนี่ยเมื่อเราเข้าใจใันจริงอมันทำอะไรพี่ชายแล้วล่ะยอมรับมันเถอะเพราภาพความเป็จริงของร่างกายมันเกิดมาเพื่อเสวยความทุกข์มันไม่ได้สวยความสุขหรอกมันเกิดมาเพื่อรับวิบากของความทุกข์เพราะรูปเนี่ย มันมีแต่ความทุกข์ที่เราบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลานั่งก็บีบคั้นยืนก็บีบคั้นเดินก็บีบคั้นนอนก็บีบคั้นบีบคั้นให้เกิดเจ็บเกิดป่วยเกิดเดมื่อยเกิดไข้เกิดหนาวเกิดร้อนเกิดไม่สบายอยู่ตลอดบีบคั้นให้ไปกินข้าวบีบคั้นให้ไปขับถ่ายอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเห็นแล้วมันแล้วก็หลบไปได้อย่างไรหลบไปได้อย่างไงคิดไปได้อย่างไงว่าเร า, าดีกว่าคนอื่น อันนี้คนอื่นก็เหมือนเราแปลกดีไหมแปลกเราเขาวนหลงหลงชีวิตหลงก็เดินวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้จบไปเลยทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งคือเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจ มันเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้แก้ไขได้แต่ต้องแก้ไขให้เป็นเรื่องจิตใจนะีทีนี้วิธีการแก้แก้ปัญหาของด้านจิตใจเนะี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนสองส่วนนะเรารู้แล้วว่าร่างการ่างกายนี่คือการบรรเทา มีเครื่องมือให้บรรเทาอยู่สี่ส่วนพร้อมๆรมกันอโยบท4สี่ยืนเดินนั่ง น, นอนเนยะสิ่งตอนนี้คอยดับบรรเทามันคอยดับบรรเทามันนะแล้วก็ปัจจัยสี่เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้เป็นกลุ่มของการบรรเทาร่างกายไม่ใช่แก้ไขร่างกายไม่มีสิทธิ ฉันจะไปคิดโวยวายว่าทาไมมันเจ็บมันดีแล้วที่มันเจ็บอืที่มันเจ็บมันดีแล้วที่มันอยู่มันดีแล้วที่มันปวดมันเมื่อยเนี่ยมันดีแล้วมันถูกแล้วนะมันดีแล้วที่มันไม่สบายเนี่ยมันถูกแล้วอย่าไปคิดที่จะแก้ไขให้มันดีเด็กเปนทํามันไปเยอะแล้วก็รอวัดตายเห็นไหมเนี่ยที่เร่องร่างกายจิตใจเนี่ยมันจะมีอยู่ สกลุวิธีแก้ปัญหาจิตใจหนึ่งแก้ปัญหาด้วยความคิดที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ชีวิตที่แก้ปัญหาเรืงทานจิตใจนี้ด้วยระบบระบบกระบวนการกัความคิดเก่งไหมเราจะใช้กระบวนการความคิดเช่นถ้ามันโกรธขึ้นมา ก็พยายามคิดถึงเรื่องความเมตตาเมตตาสงสารเออเือสงสารเขาสงสารเราใช้ความเมตต า, าตัวแก่ไม่แก่าแต่มันคิดในเชิงลบเราก็พัฒนานในความคิดให้หัดคิดในเชิงบวกใช้ความคิดแก้ความคิด ใช้ความพยายามจะใช้ความคิดในแก้ในความโลภของตนเองใช้ความคิดแก้ในความโกรธของตนเองใช้ความคิดนแก้ในความหลงของตนเองทุกคนรู้หมดและทุกคนก็คิดได้หมดแต่ทําไมมันทําไม่ได้ไม่กลับไปเป็นอีกแสดงว่าความคิดเนี่ยคิดได้แล้วเดวก็โกรธไปอีกคิดได้แล้วก็โกรธไปอีกคิดได้แล้วก็หลงไปอีก แล้วสังเกต ด, ดูว่าไอ้ตอนมันมันเกิดอารมณ์เหลนะ่านั้นเมันคิดไม่ได้นะมันจะไปคิดได้ตอนอารมณ์แล้วมันหมดไปนะเอออารมณ์แล้วหายไปแล้วแต่ช่วงที่มันกําลังเกิดอยู่เลยนะเหมือนเราเราเกิดความโกรธใค้สักค น, นอย่างนี้ช่วงที่กําลังเกิดโกรธอยู่เนี่ยความคิดเรื่เมตตามันวิ่หายไปไหนไรู้มันมีแต่จะฆ้างเขามีแต่จะดา่าเขามีแต่จะตีเขามีแต่จ แกล้งเขามีจะจะทำนี่เข า, า, าคิดไิรุณาชิ้ไปคิดแต่นี้ด้วยนะแต่พออารมณ์หมดเรื่องออออทำไปแล้วกลับความคิดสงสารโทษตัวเองซ้ำอีกไม่กล้ไปทำก็เลยนะเราเป็นคนไม่ที่เรื่องเลไม่อเอาไหนเร็วยํมเลยเนี่ยแล้วเวลาเราพอมาภาวนาปฏิบัติธรรมพอมาภาวนาปฏิบัติเราก็จะใช้ความคิด ศึกษาธรรมะไปใช้ความคิดเข้าไปอความคิดเรื่องธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเพื่อเอาธรรมะเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องใตรักัง้งเรื่องผลสุดท้ายไปเอาความคิดเรื่องธรรมะไปแกงกิเลสมันไม่ได้ไปส่งเสริมธรรมะให้เกิดไปส่งเสริมให้กิเลสฉลาดขึ้นนะจะบอกให้แตวบางทีเราจะใช้ไงบางทีทําอะไรไปแบบ แกตัวเองครับอ่าทำอะไรเป็นแบบผิดๆที่ไม่ถูกทําถูกวิธีเอาอย่แก้เองอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรมันเลยเนี่นยอย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นอะไรมันเลยเนี่ยโอยไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรนักหนาเนี่ยสังเกตดีๆแต่ที่ทำอ่ะทำตามทําตามกิเลสทําตามความอยากแต่เอาเอ า, เอาคําพูดทูงสู คำพูดดีๆมาป้องกันตัวเองมาป้องกันมาป้องกันตัวเองชั้นหนึ่งไม่ให้ใครเขาดูผิดดูเราเป็นคนไม่เอาไหนดูเราเป็นคนเลวทรามมาป้องกันฉะนั้นกระบวนการในการใช้ความคิดไปแก้มันจริงเป็นกุะบนการที่ยิ่งยุ่งไปกันใหญ่หลวงพ่อเชนก็เบอกว่ามันเหมือนเอา เมื่อมือเราเปื้อนสิ่งสปกปรกก็เอาสิ่งสปกปรกไปล้างมันใจเราเปื้อนสิ่งสปกปรกเนี่ยแล้วเอาสิ่งสกปรกไปล้างใจอีกทีนึงมันยิ่งสกปรกไปใหญ่ไปใหญ่แล้วยิ่งเราเอาความคิดนี่ยไปเป็นอาหารให้กก่จิตใจเราเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ผลสุดท้ายไปไปประมาออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไไดตนีกับของความคิดหดย นี่คือขอบวนการหนึ่งที่เราใช้กันอยู่แต่มันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลมันเป็นการบันเทาไปซะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาโดยตรงแล้วเจ้าความคิดเนี่ยเขาจะอาศัยอดีตกับรนาคลเป็นตัวพัฒนาตัวมันเองพัฒนาตัวเอง ให้คงอยู่ก็ใช้อดีตนาคตเราต้องรู้จักดีว่ากำลังส่งเสริมให้ความคิดมากมายที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยมันใช้กำลังของอดีตนาคตไปสร้างมาเป็นความคิดขึ้นมาไม่ใช่ปัจจุบันทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการใช้ภาวะรู้เนี่ยภาวะรู้ ไม่ใช่ภาวะคิด <Yeah. S 1> เขาเลยมีบอกว่าคิดรู้กับรูกคิดเราจะใช้ภาวะรู้ที่เรากลังจะฝึกเนี่ยเราฝึกภาวะรู้เพราะภาวะเราจะฝึกภาวะที่ไม่ต้องคิดที่ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคิดเลย yeah. <Yeah. S 2> เป็นภาวะที่ ไม่เกี่ยวกับความจะคิดหรือไม่ได้ไม่คิดแต่เป็นภาวะที่มันมันมีมาก่อนก่อนจะมีคิดมันมีมาก่อนก่อนจะมีคิดก่อนจะมีความคิดมันเป็นภาวะเหมือนเราแรกเกิดออกมารู้จากโลกใบนี้โลกใบนี้ถ้าเราเกิดออกมาในโลกใบนี้ปุ๊บเรามีอายตนะครบ มีตามีหูมีจ ม, ม, มูกมีลินมีกายแล้วก็มีใจที่ทําหน้าที่รู้ตาเป็นหน้นที่เชื่อมต่อกับสิ่งโลกใบนี้ตาเชื่อมกับรูปหูเชื่อมกับเสียงจมูกเชื่อมกับกลิ่นลิ้นเชื่อมกับรส ก, กายเชื่อมกับสิ่งที่มาสัมผัสต่างๆใจมีหน้าที่รู้อารมณ์เหล่านี้ ภาวะแล้วภาวะนั้นน่ะเป็นภาวะที่ไม่ได้คิดเรายังไม่ทันคิดเกิดขึ้นมาปั๊บเรายังไม่ทันคิดคิดไม่เป็นไม่รู้ส่งผ์ไม่รู้ความหมายไม่รู้บร ญ, ญัติไม่รู้ภาษาแต่มันมีภาษาเข้ามาในตัวภาษาของสิ่งที่มกักระทบเห <c oughs> มือนกับเรากินอาหาร ท้ากินอาหารแล้วเราสังเกตดูเวลาเราดมกลิ่นของอาหารหรือฟังเสียงอะไรก็ตามที่เราไม่รู้จักมันจะมีภาวะเข้ามาที่ว่ามีสิ่งหนึ่งมากระทบกับสิ่งหนึ่งหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นทิ้งกระทบรสแล้วก็เกิดภาวะเข้ามารู้รู้โดยไม่ได้คิดอะไรภาวะนี้เป็นภาวะที่ยังไม่ ยังมีอยู่กับเราอยู่แต่เราลืมมันไปเราไปใช้ภาวะคิดตนลืมภาวะรู้แล้วก็เลยเอาภาวะรู้ของเราเนี่ย<ม>ไปอยู่กับภาวะคิดตลอดมันเลยชํานาญอะชำนาญในการคิดมากกว่าชํานาญในการรู้มันชํานาญในการคิดมากกว่าชำนาญในการรู้เพระมันถูก ภาวะคิดนดี่ถูกพัฒนาไม่หยุดยั้ยงถูกพัฒนาตัวมันไม่หยุดยั้ยงแต่มันอาศัยอดีตอนาคตทั้งนั้นเป็นตัวเป็นตัวเลี้ยงมันอยู่แต่ภาวะรู้เนี่ยมันเป็นภาวะของที่มันมันอาศัยเยอะนี้เนี่ยอาศัยขนะนี้ที่มันไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลย เมื่อเราหลับตาแล้วลื้อตามาปุ๊บเนี่ยถ้าตามันเห็นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ดีอะไรตาเห็นนะนะหูวไว้กันได้ยินเสียงจริงๆริไม่ใช่เสียงที่มันมากระทบแล้วกระดับกระทบแล้วกระดับะทบแล้วกระับยังไม่ทันแปลแปลงสัญญาณ ย, ยังไม่ทันแปลงความหมายนะมันเป็นความรู้สึกที่มันใหม่ๆสดๆเช <c oughs> ่นเราต้องพัฒนาภาวะตัวเนี้ย เพาวตัวเอาภาวะรู้เนี่ยออกไปจากภาวะของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวขงวนนของสิ่งเนี่ยของสิ่งที่เกิดตาหูาจมบกลิ้กายใจเนี่ยเขาออกมาถ้าภาวะรู้มันออกมาได้ภาวะผู้รู้ผู้ดูเขาออกมาได้เนเขาออกมาได้ปั๊บนั่นแหละปัญหาทางใจจะจบ ปัญหามีอยู่แต่ใจไม่อยู่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันทุกอย่างจะทาหน้าที่เหมือนเดิมแต่ใจไม่เหมือนเดิมใจจะออกมาใจที่เคยหลงไปเอากับสิ่งเหล่านี้แต่มันต้องมีพื้นฐานจากการพัฒนาภาวะรู้ให้เข้มแข็งขึ้นเพราะภาวะรู้นี่คือภาวะของใจเราเองถ้าเราไม่สามารถพัฒนาภาวะใจเราให้ ต้านทานกับอารมณ์ได้เข้มแข็งกับอารมณ์ได้อยู่เหนืออารมณ์ได้แยกตัวเองเออกมาจากอารมณ์ได้แล้วใส่ใจเราก็จะต้องหมกมุ่นคุณคิดทุกกระทงไปกับอารมณ์เรานลจนตายนี่หลักการในการพัฒนาภาวะรู้เนี่ยคือการพัฒนาภาวะขนาดเดียวขนาดเดียว แล้วก็เป็นขนาดเดียวที่เป็นเดี่ยวนี้เท่านั้นขนาดเดียวที่เป็นเดี่ยวนี้เท่านั้นแังเชิงบอกว่าผู้ใดก็ตามเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจ่มแจ้งแล้วไม่มั่นแงนคอนแคลงกับสิ่งที่จะเกิดไม่ว่าจะเกิดดีเกิดร้ายยังไงก็ตามเราดูมันเฉย พอเราดูมันเฉยๆแป๊บเนี่ยภาวะของรู้ก็จะถอนตัวเองออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นทันทีจากที่ตนเคยหลงไปเป็นไปเป็นผู้เป็นจะมาเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเสร็จแล้วมันจะเห็นอะไรเห็นไปมันจะไม่ไปบวกหรือจะไม่ไปลบถ้าไปบวกเรียกว่าตันหาถ้าไปลบก็เป็นตันหา จะไม่พยายามบวกต่อเติมเสริมแต่งอะไรทั้งสิ้นหรือจะไม่พยายามลบถ้าเห็นแล้วรู้สึกอะไรที่ตัวเองชอบใจอยากจะบูกให้เพิ่ม อ, อันนี้จะเป็นภาวะตานหาก็พิแศงเห็นแล้วเกิดภาวะอึดอัดขัดเคืองไม่ชอบใจก็อยากจะลบลงไปนี่ก็ตานหาก็พิเศษภาวะตานห า, าก็วิเคราะห์คืออยากสรปุปไว้ง่ายคืออยากบวกก็อยากลบ อยากทิ้งกับอยากได้นะมันไม่ใช่ไม่ใช่ภาวะรู้นันภาวะรู้เนี่ยเป็นภาวะขนาดนี้อยา่างเราฟังเสียงฟังฟังเสียงที่อาจรมาพูดเี่ต้องฟังเสียงที่มันเกิดแล้วมันดับไปสิบางครั้งมันก็เข้าไปยังปลอมหายทํงางลเข้าใจ จึงจึงบอกพยายามเน้นอ่าอันนี้คือเจาทางออกของจิตวิญญาณทางออกปัญหาของจิตใจทางรอดของมนุษย์ <c oughs> แล้วก็ทางทางที่เรามาอาศัยร่างกายที้เกิด <c oughs> เพื่อมาทำเส้นทางนี้เรามาอาศัยร่างกายเกิด อาศัยร่างกายเพื่อมาพัฒนาส่วนนี้พัฒนาส่วนใจเราเนี่ยให้มันออกจากสิ่งนี้ให้ได้วิธีออกก็คือให้มันรู้ขนาดนี้ใช้ภาวะรู้ไม่ใช่ภาวะคิดแล้วก็ใช้ภาวะของอาการต่างๆของอิจตนะที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกนี่แหละเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ได้หมดเลย เวลาตาเห็นรูปปุ๊บเห็นตามที่ตาเห็นรับรู้ตามที่ตาเห็นหูได้ยินเสียงปุ๊บรับรู้ตามที่หูได้ยินจมูกได้กลิ่นปุ๊บก็รับรู้ตามที่จมูกมันได้กลิ่นเลียนดูโดยก็รรับรู้ตามนั้นแหละมันเกิดแค่ไห น, นมันมีแค่ไหนมันหมดไปแค่ไห น, นก็เอาแค่นั้นเอาแค่นั้น มันมีแค่สั้นๆก็เอาสั้นๆพันมียาวๆก็เอายาว ๆ, ๆและการจำการพัฒนาภาวะรู้นี่คือต้องให้สภาให้อาการเขาเกิดก่อนนะอาการา ก, ก็เกิดก่อนจะไปเกิดก่อนมันไม่ได้มันจะเป็นการคิดคือหลังจากแล้วหลังจากมันหายไปแล้วมันก็จะเป็นการคิดจนเป็นช่วงช่วงชินกันนะช่วงชินกันระหว่างชินรู้ ก, กับชินหลบนี มเป็นพิธูิงกันตรงนี้ตรงจุดเนี้นั่นจำหลักให้ดีนะทําไมจิงบอกเน้นเอาขนาดนี้นะเอาเดี๋ยวนี้นะรู้ขนาดนี้นะเอาขนาดเดียวนะเอาขนาดสัส้นๆนะเพราะกําลังจะส่งเสริมภาวะของผู้รู้ผู้ดูภาวะของตัวรู้ตัวดูที่มีอยู่แล้วให้เกิดการพัฒนาขึ้นมา ให้เกิดการเขี่ยงเห็งทานพลต่ออารมณ์เนี่ยเข้าใจอารมณ์ทั้งหมดแล้วมันจะเกิดภาวะการปล่อยปล่อยไปแล้วทาไมต้องฝึกภาวะรู้และเห็นภาวะนะั้นเกิดหายด้วยเพราะมันจะทําให้ใจเราเนี่ยเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นหายสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นหายมันจะเข้าใจเลย ว, ว่าของบนโลกนีน้มันเป็นปมาณอย่างนี้แหละ ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้มันดีฝั่งนี้ไปได้แลในสิ่งดีก็มีสิ่งชัว่วในสิ่งชั่วก็มีสิ่งดีปนกันอยู่นะในสิ่งต่างๆทั้งหมดมันมีกัอยู่เหมือนหัวมันเกิดหามันต้องดบหัวมันดีหางมันต้องเร็วบางครั้งหางมันเร็วแต่หัวมันดี ตัวอย่างเช่นดอกไม้สวยๆดอกไม้ที่เกิดขึ้นมาสวยๆยนี่นะเราเด็กเอาบาูญชาพระในความสวยของมนะันเนี่ยอยู่ไม่นานก็จะมีความไม่สวยเกิดขึ้นมาเด็กไว้ทิ้งไปสักวันสองวันเรื่องเหน่ยวเริ่มแห้งเรื่ อ, อดาวเรื่องเป็นเชื้อราอันนี่้ในสิ่งดี มีสิ่งที่ในสิ่งที่สวยงามมีสิ่งที่ไม่สวยซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ทุกเรื่องมัอยากจะเอา่าๆแล้วกันเช่นพวกปุ๋ยตนี้เรารู้สึกสงปรกสกครกแต่มันก็ก่อให้เกิดสิ่งที่ขึ้นมาเหมือนกับพูดว่าตรนเลนน่สามารถสร้างดอกบัวได้ ดอกบัวก็สามารถสร้างต้นเรนได้เช่นมันเป็นอย่างเนี้ยพอมันเป็นอย่างนี้มันเห็นภาวะของโลกใบนี้อารมณ์ของทุกอย่างเป็นอย่างนี้ตัวรู้สึกที่มันเห็นภาวะเกิดของทุกสิ่งและหายไปทุกสิ่งและทําอะไรกับมันไม่ได้มันไม่อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแก้ไขกฎกติกาของโลกใบนี้ได้แล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ทําอะไรได้แล้วหยุดมันจะหยุด และในการภาวะพัฒนาภาวะของตัวรู้สึกตัวรู้ผู้รู้ผู้รู้เนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเราสร้างขึ้นสร้างขึ้นเพื่อฝึกซ้อมมันรูปแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนในวิธีการต่างๆที่เราสร้างกั้นมาเนี่ยนี่เป็นรูปแบบกันสร้างขึ้นมาเพื่อฝึกพัฒนาการซ้อมรู้ แต่มันไม่ใช่ตัวเป้าหมายต้องเข้าใจให้ดีที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกรูปแบบนั้นรูปแบบนี้จะพูดโธทุกเอนองของเนาะสัมมาแรงสร้างใจหวาดเดินจงกลอะไรก็ชั่นนั่นเป็นแค่อุปกรณ์ในการฝึกซอมันไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่ตัวสาระ ตัวสาระคือเราสามารถพัฒนานการรู้ได้ไหมนี่คืออันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำแต่มันเกิดขึ้นมาเองเราก็หัดู้ไปอย่างเช่นนนหลับอยู่ดีแล้วมีเสียงดังขึ้นมา จะเป็นสียงจิงจกตุกแกนเสียงเราเปิดเสียงอะไรก็ไ่้ที่มันดังขึ้นมาเองมันอันนั้นเน่ยเราไม่ได้ทําแต่ไม่เกิดขึ้นมาอันนั้นก็เป็นอุปกรณ์อีกอันหนึง่งที่เราสามารถที่จะเอามาพัฒนาภาวะของผู้รู้ผู้ดูของเราได้ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นหลักแต่มาเลยพยายามเลยบาทีเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งนั่งอยอ้าวความเจ็บมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พัฒนา สามันโรู้ใหม่เรืง เ, เกิดขึ้นมานะจากเราตั้งสร้างจังหวิญญาณดีๆเดี๋ยวก็จะมีภาวะอื่นเดี๋ยวก็ม่วง เ, เกิดขึ้นมาล้วก็หกันรงไปเดี๋ยวก็คิด เ, เกิดปแล้าก็หันรูไปที่เราไม่ได้ตั้งใจทําำตั้งสองกลุ่มเนี้ยถ้าเราเข้าใจวิธีการดึงมัน ม, มาใช้ดึง ม, มัน ม, ม, มาใช้เกิดประโยชน์นในการพัฒนาแล้วเราจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไม่มีการเวลา ที่ไหนเมื่อไหร่ไดนะ้เพราะว่ามันทำงานไปอยู่ตลอดตาหูจหมกจูกจีนกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมันทำงานอยู่ก็มันตลอดแม้แต่เราหลับมันก็ทำงานขึ้นมนะมันได้ยินขึ้นมาแต่เราไม่รู้จะต้องรู้จักนะว่าแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันพยายามเน้นเน้นให้มนรู้สั้น พระจะฝึกตัวนี้จริงๆรู้สั้นๆรู้ขนาดเดียวรู้เดี๋ยวเดียวรู้เดี๋ยวนี้จะเป็นในรูปแบบก็ได้นอกรูปแบบก็ได้หัดไปที่ที่เกิดที่มันเกิดขึ้นมาเองก็ได้ที่เราทําให้มันเกิดขึ้นมาก็ได้แต่ยว เ, ออเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายในการให้มีสติในการระลึกถึภาวะรู้และไปสังเกตง่ายๆ เพราว่ารู้เนยเพราว่าคนรู้สึกตัวเนี่ยเพราะว่าเขาพูดรู้เนี่ยพูดเพาว่าเขาพูดดูเนี่ยเป็นสภาวะเดียวกันเขาจะไม่มีต่อจากนี้รู้ก็คือรู้รู้แล้วทายังไงรู้แล้วเป็นยังไงรู้แล้วได้อะไรอันนี้ไม่ใช่ภาวะรู้นี่นี่คือภาวะคิดคิดเขารู้ปุบเนี่ยเขารู้ปั๊บเนี่ยเขาจะรู้เองว่าจะทํำยังไงจะเป็นยังไงจะเอาอะไร ถ้าสังเกตง่ายๆนะภาวะรู้เนี่ยกับภาวะที่ไม่ใช่ภาวะรู้สองอันเนี่ยภาวะใดก็ตามที่เป็นภาวะเกิดแล้วหายนนะเกิดแล้วดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นถ้ามดลดต่ำไปเป็นธรรมดาหัวเกิดหางดับอันนี้ไม่ใช่ภาวะรู้ไม่ใช่ภาวะของความรู้สึกตัว ไม่ใช่ว่าของของผู้รู้ผู้ดูใดๆทั้งสิ้ตรงเนี้ยจำไว้เลยภาวะใดก็ตามที่มันดีแค่ไหนก็ตามแล้วมันมีแล้วมันหายมันมีแล้มันอย่าไปใส่ใจอย่าไปใส่ใจอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลามันจะเสือมงอไหนก็ตามแต่สักพักหนึงมันหายไปไม่ต้องไปสนใจมันนั่นมันหลอกเราแต่ภาวะที่น่าสนใจคือ ภาวะที่รู้การเกิดการหายของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเดียวนี้ภาวะที่ก็จะต้อการรู้ถึงการเกิดการหายของมันอยู่ตลอดเสียงเกิดขึ้นเสียงหายไปกิ่นเกิดขึ้นกินหายไปรสเกิดขึ้นรสหายไปเย็งร้อนอ่อนแข็งเจงตึงไว้เจ็บปวดไม่เพียงตามร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอย่างนี้แล้วก็ความคิดอารมณ์รักโลกโกรธหลงอึดอัดกันเซื่องอะไรต่างๆ โล่งตัวเบาสบายสงบฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นมันหายไปภาวะที่มันรู้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหายไปนั่นแหละเป็นภาวะของผู้ฉะนั้นตั้งใจส่งเสริมให้มันถูกส่งเสริมให้มันถูกพัฒนาให้มันถูกแล้วมันจะแก้ปัญหาชีวิตได้ถูกแล้วแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยครั้งนี้มันจะเป็นปีใหม่ มีชีวิตที่มีมิติใหม่มิติใหม่แต่เขาอยู่กับโลกใบเก่านี่แหละแต่เป็นมิติทางจิตวิญญาณมิติทางจิตวิญญาณที่มันรอรอเราจะพบกับความสุขที่ไม่ต้องเสียสตังสักวันความสุขที่ไม่ต้องเสียเวลารอคอยความสุข ที่ไม่ต้องสแสวงหาอะไรอีกเลยไม่ต้องสแสวงหาอะไรเลยแล้วความสุขที่ไม่ต้องเอาอะไรมาเติมมันอีกมันเป็นเข้ามาอยู่แล้วไม่ําเป็นเติมไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปต่อใดๆดทั้งสิ้นให้หนีเลยนะใจในย่างนี้ที่ไห้โกมคิดว่าอยากให้เรามีกําลังใจกําลังใจในการที่จะพัฒนาชีวิตของตนเอง ถ้าเราไม่ไม่แก้ปัญหาชีวิตสองด้านนี้แล้วใส่เราจะต้องแบกปัญหาหนักหัวงไปจนวันตายมันไม่เว้นนะไม่เวินมันจะเว้นแต่จะพาะผู้ที่รู้มันนะั่นแหละมันไม่เว้นอายุ ก, ก็ไม่เวินโยมผู้ชายโยมผู้หญิงแม่ชีพระสงฆ์จเจ้ามันไม่เวิน เอาจนตายไม่ได้เอาแค่วันนี้มืเดือนนี้มันเอาจนตายยัถ้าคุณแก้กปัญหาตรงจุดนี้ไม่เป็นนะคุณจะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยคุณไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนะคิดว่ามันจะดีไปทำแล้วมันไม่ดีนะอย่าไปคิด ขั้งหน้าบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรดีเรอมันมีแต่ความเ ป, เปลี่ยนแปลงตัวมั น, ปนไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่มีทางร่างกายเรายังไม่คงที่ยันเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วอะไระ่ะอารมณ์ในใจอิ่งแล้วไปใช่ไหะน้เวลาเราไปปลูกพันธุ์คิดว่าเราชอบใครสักคนแล้วคนนั้นจะชอบเราตลอดไม่มีทางไม่มีทาง เดี๋ยวดีไปดีก็โกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันอีกตอนทะเลาะกันเนะี่ยทาไมมันลืมไอที่มันดีๆกันไปทิ้หมดเนี่ยสารพัดโลกบความเราอยู่บนโลกของความไม่แน่นอนเราจ ะ, จะเอาให้มันแน่นอนเราก็บ้าทั้งนั้นเฮ้ยดูตัวเองให้ดีวะเราวางังคับเนี่ยเรากําลังจะมาแก้ปัญหาชีวิตเราจริงหรือเปล่า แล้วก็บอกแนวทางให้แล้วเนี่ยแนวทางให้แล้ว่าการแก้ปัญหามันมีสองกลุ่มกลุ่มใช้ความคิดกับกลุ่มใช้ความรู้และความรู้ก็บอกวิธีการพัฒนาให้แล้วเนี่ยมนมีในรูปแบบกับนอกรูปแบบแต่มันจะเป็นอยู่แบบเดียวกันคือแบบรู้ฝึกรู้ไปแล้วก็จะใช้ถ้าใช้จริงๆต้องใช้เดียวนี้ อยากใช้เยอเป็นหลักเลยขนาดเดียว เ, เป็นรู้ขนาดเดียวไปเรื่อยๆในอย่างนี้ก็ให้ควาคิดนะเรเป็นเครื่องเกินจิตสกิจใจให้ตัวเองเลี้ยวกลับมาดูมาดูชีวิตของตวเองมันจะได้เห็นเห็นคนอื่นร้อยครั้งพันผลไม่ทําก็เห็นตรงที่เดียวรู้เรื่องคนอื่นร้อยครั้งพันผล ไม่ทำารู้เรืทุกตนครั้งเดียวพอม่ช่วยแก้ปัญหาได้นันกล่าวนะกล่ามาดูตัวเองในช่วงที่อยู่นี้พยายามตั้งใจพัฒนาให้เีนนีะ้ท่านเสือนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะกระทำกันต่อไปก็ขอให้ความตั้งใจของเรานี้จะเกิดมีอนิสงส์ได้พบกับทางออกให้แก่ จิตวิญญาณของตัเองที่ไม่ต้องพาวิบากกรรมลากวิบากกรรมไปเกิดพบภูมิใหม่อีกเนี่ยมันจะได้จบสิ้นภพบจบชาติกันที่สุีนีในชาตินี้ถึงมันไม่สิ้นภพบจบชาติก็ขอให้มันเบามันปานลงไปมันจะได้หายใจสะดวกอยู่โกรธนี้ยังมีความสุขว่านบ้าด้วยการทุกท่านทุกคนทุก